ทรงประชุมสงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุผู้ประพฤติมานัดยินดีการที่ปกาศตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับละการถูหลังให้ในคราวอาบน้ําจริงหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่สมควรและภิกษุทั้งหลายฉะหนพวกภิกษุผู้ประพฤติมานัดยินดีการที่ปััตตาภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับและการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำเล่า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 นำอาสนะมาให้นำที่นอนมาให้ละการถูหลังให้ในคราวอาบน้ํารูปใดยินดีต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้ลุกรับละการถูหลังให้ในคราวอาบน้ําเล่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้ลุกรับละ การถูหลังให้ในคราวอาบน้ำของภิกษุผู้ประพฤติมานัดด้วยกันตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกิจห้าอย่างคืออุโบสถปวารณาผ้าอาบน้ำฝนการสละพัดพัดเพื่อภิกษุผู้ประพฤติมานัดด้วยกันตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้น เราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้ประพฤติมานัดโดยวิธีที่ภิกษุผู้ประพฤติมานัดทั้งหลายต้องประพฤต